أ و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, و و ص ل و س ل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي, لي صدري و ิส ر ร์ลีอัมรีวะผลลู و เด ل ์ม ن ลิสานีฝ่าว ل ควออลีอัลลอฮุมันฟะเนะบิมาลั ل ต์เนะว่าลิ م ا นะมาญฟะเน ا ن ะซิด و นะอิลมาอับบ و อิลลัมทูฟ ن ร์ลน ل อัลร์ ن ัมนาลันค ا ل เนะมินอัลข้ ئ لنا من เ م ر ن ا ر ش ีน ا ารัสซ ل ดะอัลฮ เราลดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับชุโกตอัลลอฮ์วันนี้ได้กลับมานั่งในการที่จะเรียนและศึกษาส و ร ة อัลซูมารซึ่งเหลืออีกไม่เยอินชาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับ อ, อต้องขอมาอับพี่น้องด้วยเพราะว่าเดือนนี้อาจจะมีภารกิจต่างต่างถิ่นเยอะนิดนึง สัปดาห์หน้าก็อาจจะมาไม่ได้ลองดูนะครับเพราะเายัางยังไม่ยืนยันแต่ว่านะต้องต้องขอมาอัพด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังทุกครั้งที่อยู่เราก็จะมานะครับมานั่งร่วมกันเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากอัลมุอันนาฟะอัลลิมุนนาฟได้ความรู้ที่มีประโยชน์ก็อเอาไปปฏิบัติเป็นอัลกามลุสซาล นี่คือหน้าที่ของนุสลิม น, นะครับหน้าที่ในการที่จะสแสวงหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับไม่ใช่เฉพาะสัปดาหล์ละครั้งหรือที่เรามาเรียนกันนะครับที่อื่นๆด้วยอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราจะอ่านอายัดที่ห้าสิบสามนะครับห้าสิบสามจนถึงห้าสิบเก้าถ้าเวลานะอำนวยเพราะว่า ดูค่อนข้างจะเยอะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มอายัเดียวกันก็เลยอยากจะให้เราตั้งไว้ก่อนว่าอ่าน 53-59 ก่อนจะพยายามทำเวลาให้ได้อินชาอัลลอเป็นกลุ่มอายัดที่มีความสำคัญมากแล้วก็สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะอายัด53เมืเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับสุรัตุุมาร53ครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من ر ح م ة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. อินนุ و ์ฮุวัลกัฟุร์อัลราะฮิม وأنيبو إلى ربكم وأسلم وا له <ت ص في ق> มِ <ت ص في> ق> ق ่งกับَัยจะที่คุมอัลอาดับทุ่มมาตุนซารุนและทั อ ح س สันม م อุนซิลเอลยุ م ِ و รับบิ ل ุมมิ่นกับลัยเ ك ُ م ย ا มุลกาลาบุ ب ั้ง ت َต وأنتم لا تشعرون أو تقول نفسيا أسرت على ما فرض ตัวฟีจัมบิลลาห์ว่สัี ا و تقول لو أن الله هداني ل ك ن ت من المتقين ا و تقول حين ترى العذاب لو أن นั่นแหละค่ะรัต์ฟะคุณนั้นนั้นนั้นนั้นนั้น فكذبت بها و ص د n ت وكنت من الكافرين อัล م د لله ยัิลสามยันสิบเก้านะครับจากส ah ุรัตุจุมารอัลลอฮฺครับพี่น้องครับสำคัญมากเลยนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปการพูดถึงคนที่มีพฤติกรรมที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวถึงในส ah ุรัตุจุมัรนั่นก็คือพฤติกรรมการชิริก การกูฟรก่อนหน้านี้เราแต่ละพูดถึงสิ่งที่คนเหล่านี้มีพฤติกรรมในโลกดุนียแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องราวในวันอัคิีรอห์แล้วนะครับหลังจากที่พูดถึงนิสัยของพวกมุชริกินเป็นอย่างไรการตอบโต้การโต้เถียงมาถึงวันนี้ นะครับอย่างรอบที่ผ่านมาเราเราได้พูดถึงดุบาที่ท่านนบีใช้อ่านว่าอัลลอฮมติรัสมาวตวลัอาลิมลอลนะอาลิมลวฮอันทบัยับาริกฟมานูฟิยัคลรฟอิฮดีนีลิมัลฟีมินลักบอซนิกอัลลอจะเป็นผู้ตัดสินระหว่างคนที่เป็นผู้ศรัทธา กับคนที่เป็นคนที่กูฟร์คนที่ชิริกต่อล l l a h ในวันเิียมัตเพราะฉะนั้นเรื่องราวในดุนยาเนี่ยคุยกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นโซรอจนกระทั่งถึงตรงนี้ทีนี้ก่อนที่จะไปอัคเชรอห์เนี่ย a ะ l a h ت ع ا ل เรียกให้บรรดา穆ชรินเหล่านี้ฟังสักนิดนึ่งเปียมัตใกล้จะมาแล้วความตายใกล้จะมาแล้วอายุขในดุนยาก็กลังจะหมดแล้ว แล้วต่อไปเนี่ยพอไปถึงวันเกียรติ์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากๆแล้วสำหรับคนที่มีกูฟรคนที่มีชีริก ค, คนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa t a เพร า, า ะ, ะฉะนั้นด้วยความเมตตาของ Allah พระองค์สั่งให้ท่านนาบี ส, ะละละสลัลลัลลอฮ์สัลลัมเรียกร้องมาอัลลอฮมันไม่ใช่แค่การโต้เถยีงถยงถกเถียงว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอย่างเดียวไม่ใช่ แต่สั่งให้ท่านนาบีเรียกร้องให้คนเหล่านี้กลับมาสู่ความศรัทธาเถิดไม่ต้องเทียงกันแล้วเทียงไปพวกท่านก็เทียงไม่หยุดเพราะฉะนั้นมาฟังเสียงคำเรียกร้องจากอัลลอ์เถิดเราแตลสั่งให้ท่านนาบีกล่าวไว่ามื่ไรกุลจงกลาเถิดมุฮัมมัดยา عباد ี ا ل ذ ي ن أ س ر ف و ا ع ل ى أ ق ص ي ه م โอบรรดาพวงบาวของฉัน เราจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นใครเป็นบ่าวของพระองค์ไหมซุ่งห้ารับบพระองค์ไม่ได้ผลักไสคนที่ชิริกนะคนที่กูฟอรนะคนที่ไม่เชื่อพระองค์นี่พระองค์ก็ยังเรียกว่าเป็นบ่าวของพระองค์อยู่นะโ อ, อ้บ่าวของฉันอัลลอฮฺอยากจะให้ฟังจังนะครับคนที่เป็นปฏิปักิกับอัลลอเนี่ยพระองค์เรียกทุกท่านว่าเป็นบ่าวนะ ย َا عباد ีที่ท่านอัสรฟูอัลเอมฟุซิฮ์มอบา่าทังหลที่พวกเขาเหล่านั้นละเมิดต oh, th eh. ่อตัวพวกเขาเองละเมิดต่อตัวพวกเขาด้วยอะไรครับด้วยการทำบาปด้วยการกูฟรด้วยการชีริกด้วยการเป็นปฏิปักษ์กับอัลลอห์ลาอีลาฮะอิลลอหเรียกรำวอย่างไง ลาตันตูมิร رحمات الله يا عين سن วงนความิตาทั้อัลลอฮ سبحانه وتعالى الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله م ล ق ر ب ستطرق الله ح م ا ر ي ك ب الله به คนที่เป็นปฏิบัตษ์กับ Allah ทาอะไรกับศาสนาของพระองค์บ้าง โอ้โห oh คนลกคนการกระทำแต่ละอย่างของคนที่เป็นปฏิปักิกับอัลลอ์เนี่ยมันมันโหดร้ายมากมันโหดเยี่ยมมากที่เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราตอนนี้ที่ดินแดนปาเลสไตน์เห็นไหมทำแบบนาอูสุบินละทำแบบเกินมนุษย์มานามากแต่พระองค์ก็ยังเรียกคนเหล่านี้ว่าอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของรเราไหมถึงว่าพวกเจ้าจะชั่วยังไงมีโอกาสไหม ที่ Allah จอาภัยโทอันนี้เป็นการอธิบายของอุลามะ a f i r เองนะครับมีคพูดของอิบนอับบัสซึ่งรายงานนะครับโดยอับุัรีละมุสลิมนะครับเป็นรายงานที่หตจากอิบนอับบสใน afsir อันุคตินีาว่าอย่างไาดอับบสรย่า Allah แกุวมาอนนาันม่อ๋ลิชิรกดตลูฟัรู ว่ั้ลู่่ั้ั้ั ع ั้ั و ั ل ั้ั้ั้ั้ั ا ั้ ن ้ั้ั م ั้ั้ั้ั้ั้ ل ้ ا ك ั้ั้ั้ั้ั้ั ك ั้ั้ัุั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้น้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ั้ััััััััััััััััััััััััััััั ผิดประเวณีทำบาปต่า ง, า ง, างนนๆนานาที่เป็นอัจฉยกรรมแล้วทำไม่ใช่น้อยๆทำเยอะด้วยเป็นยังไงครับมาหาท่านนาบีซัลลัลลอฮุอะลัยซลและมาบอกกับท่านนาบีว่ายารอสุลละอ้อมฮะมัดสิ่งที่ท่านเรียกร้องเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแต่เราต้องการทำยืนยันจากอันว่าพฤติกรรมโฉดชั่วของเราทั้งหมดที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้เนี่ย มันม si, ีสิ่งที่จะลบล้างจริงหรือบอกเลยสิว่ามันสามารถลบได้จริงหรือมันสามารถที่จะเหมือนกับว่าสิ้นหวังแล้วถ้าดูพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยอัลลอฮ์ถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอภัยไม่ได้อภัยไม่ลงด้วยความที่มันเยอะมากความผิดที่ตัวเองทําทั้งชีริกทั้งฆ่าคนอื่นทั้งจีนาทั้งนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเป็นไปได้หรือที่พระเจ้านะที่อัลลอฮ์ จะทให้กับคนแบบนี้คนที่ชั่วมาตลอดชีวิตมาถามท่านนบี سبحان الله ونزل الذين لا يدعون مع الله إله آخر و ا ي و ا ل ل ر م الله إلا بالحق ولا ي ز ا ل ا ل ا ت ق ن ط من رحمة الله นี่คือที่มาที่ไปของอายะห์นี้ คนเหล่านั้นมาถามท่านนาบีเกี่ยวกับเรื่องนี้อลัอลลอฮฺก็เลยประทานอายัดนี้และอีกอายัดหนึ่งในสูรละตุลกุลก้อนลงมาเป็นการแจ้งให้พวกเขานะครับเป็นการยืนยันว่าพวกเจ้าจะทําบาปมากแค่ไหนสุดท้ายเป็นยังไงครับถ้าพวกเจ้ากลับตัวมีโอกาสที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل าจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นอย่าสิ้นหวังพี่น้องทั้งหลายอย่าสิ้นหวังพี่น้องที่ทําบาปมาตั้งแต่ นะ่ายังวัยรุ่นสมัยที่ยังมีอะไรนะเขาเรียกนะคืออะไรก็แล้วแต่นะขอให้เสียงนี้ไปถึงคนเหล่านั้นคุณจะทำบาปมากแค่ไหนคุณจะเสพอะไรมาคุณจะทำอะไรมาคุณจะนู่นนี่นั่นบาปใหญ่ถึงขั้นชีริกถึงขั้นกูฟรมีโอกาสที่คุณจะปลอดภัยถ้าคุณกลับไปหาอัลลอฮ์สุลฮานาอนะอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ต้องมีสาเหตุ การไม่สิ้นหวังในความเมตตาของละตละัลลาเน่ไม่ได้แปลว่าอยู่ดีๆพระองค์จะอภัยให้ไม่ใช่มีสาเหตุต้องมีมูลเหตุที่จะทำให้บาป ท, ที่มนุษย์ทำเนี่ยมันหมดไปนะครับต้องกลับไปหาอัลลอฮสุบานละตละัลลาเดี๋ยวจะมีอายะต์อีกสองสาอายะห์เี่ยวกับะตาลาเรียกว่าให้ทำอะไรบ้างแต่จะบอกว่าอย่าปิดประตูแห่งการเตาบัตดของอัลลอฮฺทั้งๆที่พระองค์เปิ อ, อยู่ตลอดเวลา บางทีการสิ้นหวังในความเมตตาของลระเนี่ยอาจจะเป็นการล่อลวงของชัยตอนชัยตอนเนี่ยมันล่อลวงเราสองเด้งมันล่อลวงเราครั้งแรกก็คือมันให้เราทำบาปและมันบอกว่าอรัสตะลาเนี่ยมีความเมตตานะอรัสตะลาสงอภัยนะตอนแรกนมนุษย์หลงกงนก็ไปทำบาปแต่พอมนุษย์ทำบาปไปเรื่อยๆทำเยอะขึ้นทาเยอะขึ้นมันก็มาบอกอีก โกบาของเจ้าเยอะเกินไปแล้วบาปเจ้าเยอะเกินไปแล้วเราแต่ ล, ต า, ลาจะเอาไปหรืเปล่าเราแต่ลาไม่เอาไยแล้วเดยวเจ้าต้องตายแน่แ น, น่ะเห็นไหมนี่คือวิธีการของชัยตอนนะอัลลอฮเบลีลาฮมิมินดาลเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเราเรียนรู้จากอัลกุรอานเนี่ยสมมุตินะถ้าเราเรียนรู้จากอัลกุรอานจริงเราจะปลอดภัยตั้งแต่สเต็ปแรกนะที่ชัยตอนมาบอกว่าเราแต่ละาลาสามารถอาไปอ่าเราก็ปลอดภัยแต่ถ้าสมมติอพลา ไปตามชัยตอนตอนที่สเต็ปแรกที่มันมาชวนเราเราอย่าพลาดสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองที่ชัยตอนมาทําให้คนบาบรู้สึกหมดหวังเนี่ยต้องระวังมากๆใน hadis ของท่านนาบีในอายะห์อัลกุรอานของอัลลอฮฺสุบานะตะอัลาเองและใน hadis ของท่านนาบีสุลตะลานมี hadis มากมายที่พูดถึงการที่อัลลอลาจะให้อภัยคนที่ทำบาปเราเคยได้ยินไหม hadis ที่บอกว่า มีผู้ชายคนหนึ่งข้าคนมาเท่าไหร่นะตอนแรกข้ามาเก้าสิบเก้าคนเออแต่ถ้าในในในในในศาสนาเอ่อชื่ออะไรนะองคุลีมานวัดลอหหอล่ะครับเอ่อเรื่องราวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นคนเลยเรื่องราวกันแต่มันก็มีเรื่องเล่าใช่ไหมของอันนี้ด้วย ผมผมผมไม่ได้ไม่ได้ปลูกยงอะไรนะแต่จะบอกว่าสังคมไทยมันก็มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่แต่นี่เป็นเรือวายัตที่ท่านนบีสุลต่านนำได้บอกว่าสมัยก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอัจฉรกรฆ่าคนมาเก้าสิบเก้าคนคือหมดหวังอ่ก็เลยฆ่าคนจนเบื่อก็เลยไปถามอาเบดเนีอาเบดก็คือนักบวชที่อยู่กับ สุเราอยู่กับโบทไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ว่าเป็นคนดีก็ไปถามเห็นไหมขนาดคนที่เป็นนักบวชเนี่ก็ยังนึกไม่ออกว่าเราจะอะไรจะอาัยให้เขาหรือเปล่าก็เลยมาบอกว่า99คนที่โบสถ์พุ่งทางแล้วเป็นยังไงไอ้99นั้นเป็นยังไงเอาให้ครบร้อยเลยจัด ก, การฆ่านักบวชตอนนั้นครบร้อยแล้วเอาลาวาลาโพแต่ละวันละอยู่อีกสักพักหนึ่ง รูสไม่อยากแล้วอยากจะเลิกแล้วเป็นนักฆ่าอยากจะเลิกแล้วก็เลยไปหาคนที่มีความรู้คนที่อาเลมก็ไปถามว่าฉันฆ่าคนครบมาหนึ่งร้อยคนมีหนทางที่จะกลับตัวไหมคนที่มีความรู้เห็นไหมเขาจะมีคําตอบให้อย่างนั้นเวลาที่เราจะถามปัญหาเสนอต้องเลือกคนที่เขามีความรู้นะคนที่เขาสามารถจะเข้าถึงความรู้ต่างๆ่าเพื่อจะมาอธิบายให้กับเราคนที่มีความรู้คนที่เป็นคนอาเลมเขาก็บอกว่า แล้วใครล่ะที่บอกว่าความเมตตาของลัทธิวัตตะอาลาเนี่ยมันปิดอยู่แค่นี้มันหมดสิ้นหวังไม่แต่เจ้าเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่าดินแดนที่เจ้าอยู่เมืองที่เจ้าอยู่เนี่ยเป็นเมืองคนฉอดเตาบัตรยากมันต้องเปลี่ยนบรรยากาศไปอยู่ในเมืองที่มีแต่คนดีๆเพราะฉะนั้นให้ฮิจโรคเตาบัตรเสร็จเสร็จให้ฮิจโรไปยอย่ายอยู่เมืองนี้ ถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนชวนไปเดี๋ยวกลัวไม่ไ่รอไปนี่ก็จะไปทัมบาปอีกนะครับอยากจะเติบต้นตัวต้องหาบรรยากาศต้องไปอยู่ในสถานที่อื่นไปไปไปเมืองอื่นเสียไปเมืองที่มีคนดีๆทั้งหลายผู้ชายคนนี้เขาเลยเดินทางไปไปถึงระหว่างทางเป็นยังไงครับเสียชีวิตอัลลอฮฺตะลาสโรวะละอิกาดมามาละอิกัดุลอัอห์มะมาละอิกัดุลอัลา อันนี้เรื่องรานี้มีอยู่ในตัฟซีนนะครับซีาสือก็พูดถึง่ายตีพกเราเคยได้ยินและอาจจะลืมไปมลอิกาตุระมาละอิกตุลอามาทลาะกันว่าวิญญาณของผู้ชายคนนี้เนี่ยมาลอิกแห่งความเมตตากับมาลอิกแห่งการลงโทษแย่งกันว่าใครจะได้กมาละอิกตุลอามาละอิกที่ลงโทษนี่มาบอกว่าผู้ชายคนนี้ทำบาปมาตลอดชีวิต เขาไม่ได้เป็นคนที่ยังไม่เตาบัตยังไม่ยังไม่ครบเรื่องราวของเราฉันจะต้องเอาไปแต่มาเลย์กัสที่เป็นมาเลย์กัสความเมตตาบอกว่าอย่างไรเขาเตาบัตแล้วเขาออกจากเมืองนี้แล้วแล้วก็จะไปหาคนดีๆแล้วสุดท้ายใครได้ไปอรัตตะลาทำให้อ่าให้สองคนเนี้ยให้มาเลกัสสองตัวสองท่านเนี่ยวัดระยะทางจุดที่เขาตายเนี่ยให้วัด วัดจากเมืองที่เขาจากมาก็คือเมืองคนชั่วเนี่ยวัดมาถึงที่นี่ที่เขาตายแล้วก็วัดจากจุดเดียวกันไปยังอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองของคนดีว่าอันไหนใกล้กว่าอะไรกันที่ดูแลเกี่ยวกับอันนั้นจะได้ไปอัลละฮะตัลลทำให้ยังไงครับทำให้แผ่นดินระยะทางของเมืองที่เป็นคนดีใกล้กว่าแค่นิดเดียวเองนัไม่ได้เยอะซูฮานัลลอฮ อัลลอฮาอกวันีเวลาที่เราฟังอายะห์เหล่านี้อายะห์นี้เนี่ยมีอุละมีาบางคนนะครับถึงกับพูดว่าเดี๋ยวผมอ่านวยะห์นี้นะายบางคนบอกว่าเป็นคพูดของใครอิบนมสูนะครับ ق, ب ب ق ب ب و ل ظ في كتاب الله الله ا ل ل ه إ ج م ع آية في القرآن خ وشر الله ا ل นนั้นละละฮ ل ย์ ن มร์บิลัดะะ ا ะะะะะะะะะะะะ ا ะะ م ะะะ ا ะะะะะะะะ ل ะ م ะะะะะะะ م ะะะะ ل ะ م ะะะ و ะะะะะะะะะ ي ะะะะะะะะะ ي ะ ا ะะะะะะ ا ن ะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะะ เวลาทีเราอ่านอายะครุษีรรัคู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ออายะครุษีอายะที่รวบรวมความดีและความชั่วให้เราเห็นให้เราเข้าใจได้ดีที่สุดก็คืออายะที่อัลตัล่าบอกว่าอินนัลลอฮายมุรุบิลดวัลอิซตะอุรบะไวญฮะนิลฟะฮชายวัลมุนกะซันซันอายะซันซันแต่ความดีความชั่วอย่างชดเจและ อายตที่ดีที่สุดให้ความหวังแก่มวลมนุษย์ได้ตีที่สุดก็คืออายะที่เราอ่านเมื่อกี้อุลยาอิบานีอัลลัลลิอัสรฟูอัลลอฮุซิฮิมลาตัดนตุนีลราะห์มะติลลาฮฺเมื่เราอ่านอีกเราก็รู้สึกเลยว่าอายะนี้เนี่ยถึงเราไปองครับอายตนี้นี่กาลังพูดถึงมุสริมแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่มี إ ي م ا นอยู่แล้วคนที่เป็นคนมุชริก คนที่ชีิกมาตลอดชีวิตคนที่กูฟรมาตลอดชีวิตยังมีโอกาสที่จะกลับตัวไ ป, ห, Allah ปหาอัาลลอฮฺ س ب ح ا ะ ه และ ت ได้ถ้าเขาเตาบัดตัวขอพระองค์แล้วนะักภาษาอะไรกับเราอินชาอัลลแตะเรานี่เป็นผู้ศรัทธาอยู่แล้วอาจจะผิดพลาด อ, อาจจะเจ้าเท้าลลาอาจจะไปทำผิดบ้างลู้นี้นั่นเป็นบาปใหญ่บาปเล็กแล้วเหตุดเราจะมีความรู้สึกว่าเราหมดหนทางที่จะกลับไ ป, ห, ปหาอัาลลอฮฺ س ب ะ อย่ารู้สึกอย่างนี้อย่ารู้สึกว่าเราหมดหนทางโดยเด็ดทุกคนจะต้องรีบนะสำคัญก็คือต้องรีบเหมือนกับที่อัลลอลากำลังจะบอกในอายะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอ่านให้จบก่อนอย่าได้หมดอวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮฺยาฟิรุลซุนูบะจามีะแท้จริงแล้วอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยโทษให้กับบาปทั้งหมดถ้าสมมติว่า บาปคนนั้นขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์อันนี้คือเงื่อนไขของมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเรามีบาปแต่เราตั้งวันเฉยๆแตถ้าบาปชิริกบาปตูฟุรแน่นอนอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้ถ้าเป็นบาปใหญ่น้อยกว่าตุฟุรน้อยกว่าชิริกอันนี้ไม่รับประกันอยู่ที่อัลลอฮ์นี่คือความสําคัญของการเต่าบัด เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยต้องติบบะต้องกลับตัวอินนุฮุอัลกัฟูร์รอฮิมอัลลอฮฺนะนั่นคือสองคุณลักษณะของ Allah Taala ที่พระองค์บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่อัลกัฟูรทรงอภัยมากๆไม่ใช่อภัยนิดเดียวนะอภัยมากด้วย อัลลอฮิมทรงเมตตามากมากไม่ใช่เมตตาแค่นิดเดียวสองสองคุณลักษณะนี้มันอยู่ด้วยกันตลอดอัลลอฮฟุอัลรอฮิมถ้าพระองค์ไม่เมตตาพระองค์จะอภัยได้ยังไงพระองค์อภยัยเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาอย่างลดเหลือให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺอัลกุบะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจอายัดนี้เนี่ยให้จําเอาไว้ให้มีกําลังใจเวลาที่เราทา พลาดพลั้งไปอะไรยังไงนะครับให้รีบนึกถึงอายนันี้และกลับตัวต่อ Allah กลับตัวต่อ Allah กลับตัวอย่างไร Allah ตรัสก็อัติบายนี่คือการกลับตัวต่อล l l a h จงหันเข้าไปหา Allah จงกลับเข้าไปหาอลละว Allah และจงมอบตัวต่อพระองค์ ในท afsir อัษดีเนี่ยท่านแยก2องคำสามนี้ว่านีบูอลอินาบตรงนี้นี่หมายถึงว่าด้วยหัวใจให้หัวใจของเรากลับไปหาอัลลอฮ์ว่านีบูอิลารับบิคุมว่ายังไง وأنيب إلى ربكم الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح การกล ل าวเพียงของ Allah นี่คือการทบทวนที่แท้จริงวัดดูอวัดตรรุกการขออวยพรอย่างและอันอีบุบิลารับบิคมบีกล แต่ศิรสะสาดีบอกว่ากลับไปหา Allah เนี่ยอันดับแรกเลยหัวใจต้องไปก่อน وأسلموا له ب ج و ا อ ح ك م لجمع طواع ا ل ดว ย, วยวะทั้งหมดของเราบางคนก็หนักใจนะคนที่ทำบาปมาตลอดเนี่ยเขาหนักใจยังไงเวลาที่เป็นคนชั่วมาตลอดมันจะเปลี่ยมนมาเป็นคนดีทีเดียวเนี่ยมันยากอยู่ แคนที่มันเคยอ่ะเคยกินของอารอมเคยทําของอารอมเคยเดินไปหาสถานที่อารอมจะกลับตัวแบบหยุดทีเดียวเลยเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนั้นบางทีบางสิ่งบางอย่างยังเลิกไม่ได้ใจต้องเลิกก่อนถ้าใจมันทําไม่ได้ยันอื่นมันไม่ไปแต่ถ้าใจมันไปก่อนอวัยวะมันจะมาเห็นไหม การเรียบเรียงของ Allah อา w t าสวยงามมาก و أ ن ي ب อ إلى ر ب ك เอาหัวใจกลับพระองล์ Allah ก่อนอาบัตตุของ Allah ก่อนเราลึกถึง Allah ขลาก่อนร่างกายยังทนไม่ไหวยังจะทำอยู่ยังจะดูนี่นั่นอยู่หัวใจต้องเอาก่อนแล้วสักวันหนึ่งพอเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ أ س ل م ล ا ل ู له, ค่อยๆทีละยางทีละอยางค่อยเลิกทีละยาร่างกายค่อยเลิกทีละยา ตาของเราหูของเรามือของเราเท้าของเราจนกระทั่งทั้งหมดกลับไปหาอัลลอฮุ سبحانه และ ت ถ้าทำครั้งเดียวไม่ได้ค่อยๆทำนใจเนี่ยบางทีไม่รู้ว่าอันไหนยากกว่าระหว่างสองอย่างนี้ฮะระหว่างใจกับอวัยวะอื่นๆพวกเราคิดว่าอันไหนง่ายหรือยากกว่าในการที่จะให้กลับไปหาอัลลอฮฺหัวใจบางครั้งมันไม่ต้องอาศัยอะไร แต่อาจจะยากกว่าในแง่ของการที่จะทำให้มันหลุดพ้นนะครับดูดูเหมือนกับว่าออหัวใจมันน่าจะง่ายเพราะมันไม่ต้องใช้อุ ป, ปกรณ์แต่จริงๆแล้วบางทีอันนี้แหละที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นดูแลหัวใจให้ดีทำยังไงให้หัวใจของเรากลับไปกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ให้ได้ Allahu อัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลนั่นแหละที่ท่านนาบีขอรอาอวยู่เสมอ Allahumma ati nafsi t a q w a ه ั وذكّها أن تخير من ذكّها يا الله ได้โปรดทําให้หัวใจของฉันสอาดด้วยเธอดได้โปรดดูแลหัวใจของท่านด้วยเถอดดูแลหัวใจให้ดีแล้วมันจะเป็นทุกอย่างให้กับเราหัวใจเป็นราชาอาวัยว่าอื่นๆเป็นผอุทาและอันีบูอิลลอรับบิคุม و أ س มู و ا له มิ um ่งกับลิอันจะที่คุมล์การับทุมมาทุลซารุนรีบกลับมาให้อ l ล a h เจิดก่อนที่การลงโทษของ Allah จะมาอย่างพวกท่านเห็นไหมตอนนี้เรียกที่ไหนไม่ได้เรียกในวันเกียร์มันนะเรียกในดุนีย์นี่แหละแต่เรียกก่อนที่เกียร์มันจะมาไม่ได้เรียกตอนที่ตายไปแล้วนะเรียกก่อนที่ความตายจะมาถึง เพราะว่าเวลาตายมาถึงนี่เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่ทันแล้ว <c oughs> ตอนตอนนี้แหละถ้าปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาอิกรั้เวลาคุลมง้งมาเอา ญ, ญาณไปเนี่ยซุมมาละจนสรูบพวกเจ้าก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆอีกเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้ก่อนตายต้องรีบก่อนถึงการลงโทษของละทาละต้องรีบรีบกลับไปหาพระองค์ด้วยความพิคลาส แล้ด้วยความรีดเร่งไม่ใช่ค่อยๆเวลาที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้เอไม่เป็นไรยังไม่ตายยังสบายหูนะครับยังไม่แก่อันนี้ต้องระวังเพราะว่าบางทีการลงโทษของรักตาลามันจะมาโดยที่ไม่ได้บอกเรานี่ในอายัดต่อไปอายัดต่อไปรักตาลาบอกว่าการลงโทษของพระองค์เนี่ยมาโดยที่ไม่ได้บอกเราวับอออซมุุุลลย กลับไปหา a บางทีเราก็ไม่รู้ว่ากลับไปหา a l l h กลับไปหาอย่างไงนี่ไงอธิบายอายะ์ก่อนหน้านี้วาดะบิอูอัลฮซนะมอุนจิลาอลรอับบิคุมจงตามกลับไปหา a a h ด้วยอะไรด้วยการตามตามอะไรอสซันะมะอุนจิลาอิลาุมนั่นคืออัลกุรอาน กลับไปหา Allah ด้วยการตามคำสอนที่มีอยู่ในอัลกุรอานอัลกุรอานบอกให้เราทำอะไรทำตามอัลกุรอานสั่งให้เราเลิกจากอะไรเราต้องทำตามนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของมนุษย์คำแนะนำที่ดีที่สุดคำชี้นำที่ดีที่สุ ด, ด, สดไม่มีอะไรจะดีมากไปกว่าคำที่พระดำรัต่อ Allah Subhanahu wa t เพราะฉะนั้นหันกลับมาสู่อัลกุรอานในการที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วพระองค์ก็บอกอีกมิ่งกับลิอัน يأتيكم العذاب بعدها ก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกท่านโดยฉับพลันบัลกะมีไหมคนบางคนตายโดยที่ไม่ทันรู้ตัวมีไหม บางทีตายตอนที่ทำทำชั่วอยู่บางคนตายตอนที่กำลังอ้าปากอยู่อะลลอฮุอัยฮุรม่อยากจะจินตนาการนะ له, าาาามีเหตุการณ์เยอะมากที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นถึงคนที่แข็งขืนขัดขืนคำสั่งขององัลลอฮฺตะนตะลาละตะลาละตลงโทษพวกเขาด้วยการให้ตายแบบฉับพลัน ในขณะที่ตัวเองคาบาคอยู่ l a h a w ะ a wa lakwata ล l l a luhana Wa antum la t a s เพราะฉะนั้นทํำยังไงครับต้องรีกแต่อย่าประวินเวลาในเรื่องของการเตาบันอยากคิดว่าตัวเองยังเป็นนุ่มอยู่ยังเป็นเด็กอยู่ยังมีอายุอีกเยอะกว่าจะเรากลับกว่าจะกลับไปแต่เพราะถึงเวลาจริงๆเป็นยังไงไม่ทันรูต้ต นะครับและเวลาที่เราตายนะอุลิลลาฮิมิลิในสภาพนั้นพอถึงวันกคยร์มัตเราจะพูดว่าอย่างไงอันตะวะอินกุนูลมินัสตีรีนี่เป็นคาพูดของคนที่ไม่ทันจะกลับตัวเขาจะพูดอย่างนี้พูดว่าอย่างไงโอวิบัตแล ตัวฉันวิบัติแล้วยาพัสดุวิบัติแล้วหายนแล้วอาลามะฟารับตฟิจัมบิลละในสิ่งที่ฉันบกครองบกครองเรื่องอะไรบกครองที่ไม่ตองรับกับตัวต่อ a l ละ حول ولا قوة إلا بالله وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ا แล้วตอนที่มีชีวิตอยู่ฉันก็ทาทีทาท้าเป็นคน เสิร์ฟเสิร์ฟเสิไม่รู้เรื่องรู้ราวเยอะเย้อล้อเลียนเวลาที่คนมาบอกว่าหยุดเถอะกลับไปหาัลอเถอะแทนที่จะกลับตัวเป็นยังไงหันมาบุลลี่คนที่พูดเอ่หันมาด่าหันมาว่าคนที่เรียกร้องให้ตัวเองกลับตัวอีกเอ น, นีจแล้วสุดท้ายเขาก็จะเป็นคนพูดอย่างนี้ตอนที่เขาตายอันนี้เป็นคําพูดที่หนึ่งคำพูดที่สอง أو تقول لو أن الله هداني ل كنت من المتقين ถ้าอัลลอ์อยากจะให้อ yeah, ัลลอ์ تعالى ให้ฮิดายัดกับเาที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะยาอัลลอฮ์นะถ้าสมมติอัลลอ์ให้ฮิดายัดกับฉันแน่นอนฉันก็จะได้อยู่ในหมู่บรรดาคนที่มีความยำเกรง คำว่าเล่าตรงนี้ถ้าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขแต่เป็นความหวงลมๆแรงๆหมายความว่า<ม>อยากจะรับาละให้ให้ได้ยัดเ ร, ราแต่เราบอกหมดแล้วตัวเองไม่ยอมรับอิดายัดจากอัลละ์ดูตายไปแล้วยังโทษอัลลอฮ์อัสซาลฺมิลลอฮฺอะซฮฺมิล่ย โอ้เอ็งดงดดูมาว่าใครต่อมาว่ามาว่าตออีกอัลลอฮ์ไม่ได้ด่าฉันนะอูุบิลลอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้นะเรารู้แล้วเนี่ยอย่ามีพฤติกรรมแบบนี้อูุบิลลหมิอันนี้เป็นคพูดที่พูดที่อกูลอันอล ل ع و ل ك و ن من ا ل م หรือเขาอาจจะกล่าวในขณะที่เห็นการลงโทษว่าถ้าฉันสามารถมีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งฉันจะกลับตัวเป็นคนที่ทำความดีทั้งสามคำนี้เป็นจริงไหมฮไม่มีทางแล้วอัลลออักราอิลาฮอิลลอฮลลอฮิลัยพี่น้องครับ เราต้องเข้าใจและต้องรู้ตัวอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เรามีชีวิตยอยู่ในโลกโลนิอาเนี่ยมันเป็นการมันมันอยู่ระหว่างอะไรเ็าเรียกนะการต่อสู้ของเรากับชัชตอนอิบลีสมันต่อสู้กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอิบลีสเนี่ยเคยต่อรองกับอัลลอสุบฮานุตาาตั้งแต่วันแรกที่มันทำผิด ที่มันฝาฟาฟ่าฝืนคาสั่งของเราตอนที่เราแต่ละสั่งให้ทนายครับให้สูหยุดกับอาดัมมันไม่ยอมสู้หุดแล้วมันก็อขอจอากเราแต่ละต ร, ตรงนั้นด้วยนะว่าพระองค์ทําให้ฉันเนี่ยหลุดจากสวรรค์เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องให้สิทธิ์กับฉันในการที่จะล่อลวงลูกหลานอาดัมว่าตา่ละก็ให้ให้ไม่ใช่น้อยอิบลิสขอมีชีวิตอยู่จนถึงวันกียรติพระองให้ เอาเนะต้องการที่จะหลอกลวงจากทางขวาทางซ้ายทางหน้าทางหลังเราแต่ะให้หมดเลยอาดัมพอได้รู้สึกยังเฮ้ยนี่ม น, นี่มันได้ยังงี้แล้วฉันจะรอดหรือเปลา่าลูกหลานฉันจะรอดไหมนี่เราต้องรู้นะต้องรู้ข้อแท้จริงของชีวิตด้วยว่าอีลิสมันขออะไรจากอัลลอฮ์แล้วเราแต่ก็ให้ พี่ถ้าเราฟังสิ่งที่อิบลิสขอจะะากอัลลอฮ์เราเหนื่อยริงเหนื่อยจริงจมีอยู่ในสุลตุลอาราฟนะใครอยากจะรู้เรื่องราวนี้ต้องต้องกลับไปอ่านสุลตุลอาราฟที่อัลาลอฮ์บอกว่าเอาเจ้าจะทาอะไรก็ทาไปกับลูกหลานอาดัมแต่อาดัมโอ้เห็นอิบลสต่อรองอัลาลอฮ์ตอะอย่างนั้นอาดัมก็ขอบาโอ้ยาอัลลอฮ์พระองค์อนุมัติให้อิบลิสทาอย่างนู้นอย่างนี้กับลูกหลานฉันแล้วฉันน่ะจะอยู่ยังไง พระองค์ก no ็เลยบอกกับอาดัมว่าอย่างไงนี้มุกกาซีนจะเอามาอธิบายด้วยนะครับว่าพระู่ลอาดัม عليه ิสสลามยาดั قد صلّتَهُ عليّ وإني لا أمتَنع إلَّا بِكَ يا a l l a พระองค์ทาให้อิบลิสเนี่ยจะเข้ามาล่อลวงชั้นฉันไม่รู้จะทำยังไงนอกจากต้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์ต้องให้แลพระองค์บอกให้อบลสมี โอกาที่จะล่อลวงเราก็จริงแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ให้อาวุธหรือว่าให้สิ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันให้กับลูกหลาน adam ด้วยอะไรบ้างลตบารวะ إ ي ح م ن ْอัลว่าลูกหลาน a d จะมีมาลคอยปกป้องครับ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 กับหนแต่ความดีหนึ่งอันเนี่ยเท่ากับสิบหรือมากกว่าเห็นไหมโอกาสที่จะชนะอิบลิสมีไหมมีนต่อล้ยาอับิซิรนีอาดามกูดต่ออกว่ายาอับละให้อีกฉันขอสิ่งเพิ่มเติมอีกโอ้อิบลิสจะมาเล่นงานทับเดิไปทำบาปทำอะไรพอละบาบุตาบาจิมาฟูประตูแห่งการเตาบัตเนี่ยเปิดกว้างเสมอ มาแค่ كان ا นึ่งรูปส جسد ตราบใดที่วิญญาณยังอยู่ในระางอัลอฮบิซินีนี้อาดัมก็ขออีกว่าย่าอัลลอฮ์เพิ่มไปอัสตะละก็เลยบอกเหมือนกับความหมายในอายัดนี้อุลยาอิบบดีลลดีนอัสราฟูอัลลอัลกุซิอัลาตักนัตูนุลละห์มัตินะเจ้าอย่าเรียนว่าเนความเมตตาอัลลุฮานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สามคำกล่าวอ้างของคนที่พูดคำนี้หลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันผ่านโอกาสมาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วแล้วจะมาพูดอย่างนี้อีกทำไมตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนลกนี้มันมีโอกาสหนึ่งครั้งหรือสองครั้งหรือสามครั้งหรือเป็นสิบ0เป็นร้อยๆครั้ง ที่จะให้เขากลับตัวแล้วทำไมไม่ยอมกลับตัวแล้วจะมาพูดหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากตายไปแล้วไม่มีอีกแล้วโอกาสเป็นสิบเป็นร้อยที่มีชีวิตยอยู่ทำไมไม่ใช้ทำไมถึงอยากจะใช้หลังจากตายโอกาสมีให้เฉพาะก่อนตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นสามคำเรียกร้องเนี่ยรัตระตอบแค่อายัดเดียวเบล เราแต่ลราตรัสว่าเปล่าเลยบมลาที่เจ้าอ้างมาทั้งหมดสองสามอย่างเมื่อกี้เราแต่ลราบอกม่ขอบจาอัตแค่ไอติองค์การของเรามาถึงพวกเจ้าแล้วตอนที่พวกเจ้ามีชีวิตอยู่อัลกุรอานก็มาแล้วคนมาบอกก็มาบอกแล้ว ระกแต่เจ้าไม่ยอมฟังเจ้าปฏิเสธวัาะบัและเจ้าก็อิ่งยโสโ อ, โ อ, โอ้อวดทำตัวแข็งขืนหัวแข็งวักุนกมนแก่ิรและเจ้าก็เป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่า Allah, อ a l l ฟุ่นต่อล l l เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเรียกร้องอะไรมันจบแล้วครับพี่น้องมันจบแล้วหลังจากที่วิญญาณหลุดออกไปจากร่าง ไม่มีโอกาสอีกต่อไปไม่ทลัลงหมดเพราะฉะนั้น س ب าน ن อล ل ه สุรทูซุมรเข็มคนมากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นความตายของเราในโลกดุนยาและถาวร ย, ยั่งยืนในวันอาคยราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เรียนรู้อายัดเหล่านี้และทำตัวเองให้เป็นคนที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราจะได้ปลอดภัย อย่าสิ้นหวังเรามีบาปแค่ไหนก็อย่าสิ้นหวังพยายามดูแลหวัวใจของตัวเองให้ดีอย่าให้ห ล, ลุดออกไปและเวลาหลุดไปเมื่อไหร่ให้รีบกลับไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สิ่งที่จะทําให้เรากลับมาอัลลอฮฺตถาลาได้อย่างดีที่สุดก็คือพระดำรัสของพระองค์อัลกุรอานของพระองค์นะครับที่จะมาบําบัดหัวใจของเราเป็นลําดับแรกเลยและบําบัดทุกอย่างที่เป็นพฤติกรรมของเราในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่อินชาอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ข้าพระองค์จะให้ประโยชน์ข้าพระนะครับ Allah Taala ัลลัม وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى ุสุลลัลลอฮฺอัลลอฮฺนบีนโมฮัมเหม็ดน้าลัยและศัฟบ์วัสลัมัสับห์นะรับบิคัรับลังเื้อเตะไม่รัฟูนัสัลลัม ل นัลลัมัรันัรันัรันัรันัรันัรันัรันัรันัรันัรันัรันัรันั